เอาเดียวเราก็จะสนทนากันนะในวันนี้พึ่งมาถึงสาวัตถีครั้งแรกนี่นก็เมื่อเช้านี้เราอยู่ที่ลุมบีนีนะในวันนี้ก็มาที่วานโคศนหรือมาที่สาวัตถีฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทราบความเป็นไปหรือถ้าเราจะย้อนจะย้อนในกรณีการที่จะ ศึกษาฟังคำสอนของภาษาสาะนี่นะสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจปัจจุบันอันนี้เป็นปัจจุบันผลที่เกิดขึ้นนะแล้วต้องสามารถใช้ยานปัญญาเจาะเรื่องราวในอดีตได้ด้วยคือจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอดีตเหตุปัจจุบันนผล ต้องเข้าใจในเรื่องของปัจจุบันในเหตุแล้วก็อนาคตผลใช่คือจะต้องเข้าใจเรื่องเหตุผลให้ชัดเจนถ้าเรามองถึงในชั้นของในชั้นของคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยพระาศาสดาสังสมอัธยาศัยก็คือสร้างทานนบรมีศีลเนคขมาปัญญาวิริยะเป็นต้นหล่าเนียถ้ามองถึงในส่วนของทานนะนะพระทานนบรมีนั้นน่ พูดถึงตัวเจตนานะพูดถึงในเรื่องของเจตนาทานเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าธรรมที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณมีอยู่ในโลกเพียงใดพระบรมศาสดาก็ยึดโยงในการที่จะสั่งสมอธัธยาศสยในการที่จะสร้างพระบารมีถ้าเรามองถึงในชั้นของคำสอน มองถึงในชั้นของคําสอนที่เมื่อเช้าเนี่ที่เราคุยกันเน่ยบอกว่าถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่ากรณีที่พระผู้มีภาคเจ้าเราเนี่ยได้ตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะกรณีาการตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยถ้าเรามาพูดเพียงแค่ปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ย ถ้าพูดแค่ปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เห็นเหตุในอดีตแล้วก็ไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระบรมศ า, ศาสดาว่ากรณีาการที่จะสร้างอัธยาศัยในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเยออเขาทำยังไงตรงนี้จึงต้องมีการดึงเรื่องในอดีตเพื่อจะมาเชื่อมโยงในปัจจุบันแล้วก็ให้เข้าใจในเหตุปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็จะได้รู้ผลที่จะเป็นไปในอนาคต เ, าเราท่านทั้งหลายนะ ก็ต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งเพราะเสียงมันสะท้อนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเสียงข้างล่า ง, งรบกวนด้วยนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในกรณีที่จะสนทนาโดยเฉพาะพระปังพระธรรมคําสอนของพระศาสดาเนี่ยหนึ่งต้องเอาพระบรมศาสดาเป็นอารมณนาธิบดีคือเอามาเป็นใหญ่ในความคิดแล้วก็ให้สามารถที่จะต้องมองแล้วก็ย้อนคําสอนได้ค่อนข้างชัดเจน ว่าพระศ า, าสดานั้นสร้าง บ, บ, าบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมตทบารมีสิบมายี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับที่โดยสำนวนที่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นได้ให้โลหิตมากกว่าน้ำในทะเลได้ให้เนื้อของตอนเป็นทานจนชนะแผ่นดินได้ให้ศีรษะพร้อมทั้งโมลีมากหาประมาณไม่ได้จนภูเขาสิเนรู้พ่ายแพ้ควักดวงตาให้เป็นทานมากกว่าดาวบนท้องฟ้า อันนั้นก็หมายความว่ากว่าจะสร้างบารมีให้เต็มได้นั้นน่พระบรมศาสดาก็ทรงสั่งสมอัธยาสายมาอย่างยาวไกลใช่ไที่บอกว่าพระมหาบุตรนั้นข้ามทะเลแห่งทานเป็นต้นอันถึงฝั่งลึกด้วยกำลังแห่งพระบารมีทั้งหลายให้จบลงด้วยการบริจาคพระนางมัสีเป็นต้นเหล่านี้ถ้ามองถึงบอกว่าการจักเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นน่ต้องสามารถที่จะบริจาค ทรัพย์เป็นทานบริจาคอาวัยวะเป็นทานบริจาคชีวิตเป็นทานที่ท่านใช้คําว่าพระมหามุนีนั้นน่ะบําเพ็ญบารมีสามสิบประการพร้อมทั้งลักษณะของบารมีแต่ละประการโดยประเภทแห่งเจตนาเป็นต้นหาที่สุดไม่ได้นะที่ท่านใช้คําว่าเจตนาโยธาทานกองทัพแห่งเจตนาที่พระองค์ทรงให้ไปฤกษ์เจ สีละเจตนาโยธาหรือกองทัพแห่งกุศลศีลกองทัพแห่งเนคขม่ากองทัพแห่งปัญญากองทัพแห่งวิริยะกองทัพแห่งขันติกองทัพแห่งสัจจะกองทัพแห่งอธิฐานะเมตตาและก็กองทัพแห่งอุเบกขาบารมีกองทัพแห่งอุปบารมีกองทัพแห่งปรมัตถะบารมีนั้นอย่างล้นหลามก็แปลว่าทานในบารมีนั้นต้องให้จนเต็มเนี่ยนะถ้าจัดเป็นสามประการที่วัฒนาปริจาค่ะก็คือพระองค์ให้ทรัพย์ แล้วก็อังคบปริจาคาก็ให้อวัยวะชีวิตตปริจาคาก็คือให้ชีวิตถ้าจัดเป็น5้าประการก็คือว่าบริจาคทรัพย์บริจาคบุตธิดาบริจาคภรรยาแล้วก็บริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตเนี่ยจัดเป็นหลายอย่างด้วยอำนาจถึงอันนางบานางครังวัดถังเป็นต้นเหลา น, นี้เป็นไปตามลำดับนะก็หมายความว่าถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่ากองทัพแห่งทานในบารมีที่ไหลอ ย, อยู่ในกระแสใจของ พระโพธิสัต ท, ที่สั่งสมอัธยาสายมาเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อเราท่านทั้งหลายนั่นเองดังที่ได้กล่าวไว้แต่ตอนเช้าที่บอกว่าตอนที่ท่านนอนราบเพื่อจะให้พระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สี่แสนรูปในเสียสงไขยิ่งด้วยแสนกับที่แล้วเนี่ยท่านสร้างส ถ, สถานที่คือถนนนไม่ทัน พอสร้างไม่ทันเบ็ดเสร็จแล้วของคนอื่นเสร็จหมดแต่ของท่านไม่เสร็จใช่ไหท่านก็เลยนอนราบพอนอนราบตรงนั้นแล้วท่านก็ประนมมืออ้อนวอนพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะจงเหยียบพระบาทมาที่อัตภาพของข้าพเจ้าพระบาทของพระบรมศาสดาอย่าได้เปื้อนโคเลย แล้วก็ขอให้เท้าของพระอรหันตาเจ้าสี่แสนรูปทั้งหลายจงเหยียบมาที่ศรีรษะเหยียบมาที่อวัยวะของข้าพเจ้าอย่าได้ถูกโคนตมเลยท่านแต่ท่านมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเขาเรียกว่าให้อะไรเป็นทานรู้ไหมให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนั้นเพื่ออะไรเพื่อปรารถนาบอกว่าอัธยาศัยที่ท่านตรังตั้งไว้ก็บอกว่า ท่านปรารถนาจักอยากจะเป็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมท่านตั้งตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนั้นบอกว่าด้วยอัธยาศัยแห่งการบําเพ็ญหรือการให้สละชีวิตในการถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยแก่การได้สัมมาสัมโพุิธญาณอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต่อที่ท่านเห็นณนะปัจจุบันนี้เถอนั่นแหละ แล้วก็พระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชี้เลยท่านทั้งหลายจงดูชดินดาบทผู้มีตบาบะรุ่งเรืองเนี่ยต่อไปเสียสงขา ย, ยิ่งเลยแสนกับท่านผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าส ม, มณะโกดมถามว่ากว่าจะมาธิ่ฐานอย่างนี้แปลว่าข้อมูลนั้นเรียบร้อยเป็เสร็จเลยถ้าถามบอกว่าถ้ารู้ว่าสัพพัญญตญาณ น, นั้นอยู่ในอเวจีมหาโลก ถ้าสามารถที่จะดำท่านท่านกล้าที่จะดำลงไปไหมถ้าใช้เวลาเสียสงคายยิ่งด้ดยแสนกับธนกาเห็นไหมถ้าหากว่าโลกใบนี้ทั้งใบหรือว่าจักรวาลเนี่ยเต็มไปด้วยลุมทานเพิงกล้าไหมที่จะเดินเท้าเปล่าลุยทะเลทานเพิงไปไปควา้าสัรพยุทธยานอีกฝั่งหนึ่งท่านก็กล้า ท่านเพงบอกว่าการบำเพ็ญบารมีของพระบรมศาสดาจึงสามารถที่จะบำเพ็ญได้มากท่านยิ่งใช้คําว่าพระโพธิสัตว์ไม่มีกําหนดประมาณว่าบริจาคพันธะภายนอกประมาณเท่านี้ไม่มีเลยบอกว่าเราจะให้ทรัพย์ประมาณเท่านี้นั้นไม่ว่าจะท่านจะเป็นจักรพรรดิสมบัติท่านก็ต้องสละสักจักรพรรดิสมบัตินั้นให้เป็นทานถวายเป็นพุทธบูชาถ้าเป็นท้าสกกะก็เอาสักกะสมบัติน่ยถวายเป็นพุทธบูชา ถ้าเป็นพรหมก็เอาพรหมสมบัติถวายเป็นพุทธบูชานั่นหมายถึงพันธะภายนอกและถ้าพันธะภายในแหละไม่สามารถจะกำหนดได้เลยว่าบริให้เนื้อเป็นทานประมาณเท่านี้ให้เลือดเป็นทานประมาณเท่านี้ให้ตาเป็นทานประมาณเท่านี้ให้อวัยวะแต่ละส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นทานประมาณเท่านี้ไม่สามารถจะคำนวณนับได้ในที่สุดจริงๆพระาศาสดาก็ได้บรรลุถึงฝั่งแห่งบา ร, รมีจนได้ แล้วก็ได้ ม, มาตัดสรู้นุตตะรส ม, มาสมปริยาณจริงๆใช่มั้ยิ่งใหญ่หมาตั้งแต่ประสูติที่ใช้คำว่าอัคโคมัสมิโลกัสะที่เราได้ทราบรายละเอียดกันมาแล้วว่าท่านเป็นผู้เจริญท่านเป็นผู้สูงสุดอย่างไรใช่ั้ยทีนี้ถ้ามองดูอย่างนี้ว่าหลังจากนั้นท่านก็น้อมที่จกบรรพชาหลังจากที่ว่าอยู่ครองเรือนเราดูตรงไหนดูตรงที่ว่า 7วันจะได้เป็นจักรพรรดิีราธพยามารยืนอยู่บนอากาศแล้วก็บอกว่าถือดาบคูด้วยนะบอกว่าให้ท่านเนี่ยจงเอาจักรพรรดิสมบัติอย่าออกบรระชาเลยท่านก็บอกว่าท่านรู้ว่าอีกเจ็ดวันนั้นนะ่จักรลัตนาจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นด้วยแต่ท่านไม่ต้องการท่านเห็นพันธะภายนอกนะ ไม่ว่าจะเป็นจกัจกรซับจักรพัฒสมบัติที่จะปกครองทวีปทั้งสแล้วก็ทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารบอกว่าเป็นเหมือนเศษที่ติดปลายลิ้นพร้อมที่จะคายทิ้งทันทีสิ่งที่ท่านปรารถนาคือปรารถนาสัมมาสัมปวิญานทาไมสัมมาสัมปวิยานจึงรัดลึงใจท่านว่าเพราะท่านปรารถนาช่วยขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏในท่สุดยิงพระองค์ก็ได้ตัตตุรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาน ซึ่งเราก็ไปกันมาแล้วใช่ไหมล้วก็เห็นจริง ๆ, ๆทีนี้ประการต่อมาสิ่งที่เราจะต้องตามมาดูก็คือว่าหลังจากได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยานแล้วภาษาสดาที่ใช้คําว่าทรงขวนขวายน้อยตอนนั้นก็คือว่าทอพระไถว์ว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกมากสัตว์ทั้งหลายที่มียานปัญญาเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะแทงตลอดได้นะมันมีมากเพราะคนที่มีดวงจิตที่มืดบอดเพราะไม่มีปัญญาสอนลคตเนี่ยมีมากเหลือเกินในสุดยิางก็ดังที่ได้กล่าวเรื่องเล่าก็มาพมราตนาพระองค์เริ่มประกาศพระธรรมถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าในขณะที่พระบรมศ า, ศาสดานัน้นพิจารณาในอดีตว่าพระธรรมมาจากกัปวัตนสูตรที่จะเทศนากันแรกนั้นเน่ พระได้เจ้าในอดีตนั้นนะ่ะได้ที่จักมาในอนาคตท่านจะไปยังไงก็คือเสด็จทางอากาศท่านเริ่มมีมหากรุณาแต่เบื้องต้นเลยเห็นไหมว่าถ้าท่านจะทําอย่างนั้นในอุ ป, ปาการชีวกจะเสียโอกาสในการจะผ้าจักัทายาสายดูน้ําพระทัยของพระบรมศาสดาซึ่งมีพระมหากรุณาที่คุ้นอย่างเหลือประมาณไม่ได้ที่เสด็จจริงพระองค์ก็เสด็จย่างด้วยพระบาทเปล่าเสด็จพุทธดําเนินด้วยพระบาทเป่า เรานั่งรถยังเหนื่อยกันแทบตายใช่ไหมพระบรมศาสดาเนี่ยทรงดําเนินด้วยพระบาทเปล่าเพื่อต้องการที่จะให้อุปการชีวตกได้อัธยาศัยเพื่อจะได้ตัดสู่ในอนาคตพระองค์ก็ทํานั่นไงเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพระบรมศาสดาจะโปรดเนี่ยจะโปรดคนที่มีศรัทธาก่อนหรือคนที่มีอัธยาศัยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีอัธยาศัยเลยเนี่ยพระอ ง, องค์ก็จะไม่โปรดไหมแต่ว่าอัธยาศัยอุปการชีวกตกมี และ菩าสดาก็ไ ป, ปโปรแล้วก็ไปเทศนาธรรมจักกับปวันตนสุดไล่มาตามลําดับเลยเราจะเห็นได้เวลาพ่อปรมศาสดาจำพรรษาแรกและบุคคลที่ได้บรรลุ ก, กันเนี่ยเนี่ยเยอะแยะนี่เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยกองทัพแห่งธรรมคือธรมธรมจัก้คําว่าธรรมจักนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมกงล้อแห่งธรรมคาว่าธรรมจักศัพท์เนี่ยกงล้อแห่งธรรมคาว่ากงล้อแห่งธรรมในที่นั้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้น ก็เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาถ้าประชุมย่อลงเนี่ยนะก็เป็นชื่อของศีลเป็นชื่อของสมาธิเป็นชื่อของปัญญาก็คือเป็นกรงล้อก็คือกงล้อแห่งธรรมกงล้อแห่งธรรมที่เป็นเป็นธรรมจักรเนี่ยหมุนเข้าอะไรหมุนเข้าสู่กระแสใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายของเวไนยชนทั้งหลายอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยกงล้อแห่งธรรมจักรมันไม่หมุนเข้าหาเนี่ยกระแสใจเรา ถ้าศีลหมุนเข้ามาเบ็ดเสร็จปุ๊บในกระแสใจท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะโทสะก็จะถูกทําลายอย่างราบคาบด้วยกุศลศีลถ้าสมาธิหมุนเข้าสู่กระแสใจของท่านผู้ใดตัวตัณหาตัวความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินก็จะถูกทําลายอย่างราบคาบด้วยอำนาจของสมาธิถ้าปัญญาหมุนเข้าสู่กระแสใจของท่านผู้ใดตัวโมหะคือโความหลงความมืดบอดของจิตก็จะหายไปทันทีนมช่ไ ไห้ธรรมจักก็คือศีลสมาธิปัญญาที่มันหมุนเข้าสู่กระแสชีวิตของสัตว์นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าประกาศเลยประกาศธรรมจักคือกงล้อแห่งพระธรรมที่หมุนเข้าสู่กระแสของจิตใจกระแสชีวิตของเวนยชนทั้งหลายไอ้คาว่าอํานาจเนี่ยนะกงล้อมีตัว่ากงล้อแห่งธรรมกับกงล้อแห่งอํานาจ ถ้ากงล้อแห่งพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยวิริยะความเพียรในการที่จะยกกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสติคือการตามระลึกได้ในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยนะคนที่มีสติดีเนี่ยก็จะตามฟังพระธรรมคําสอนได้ทุกคําเลยนะีได้ทุกคำเนะี่สติจะไม่ลดลักจากการฟังเลยเพอหยุดปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนระลึกได้ด้วยนี่คือลักษณะของสติ จำได้ด้วยคิดออกด้วยไม่ฟันเฟือนไม่เลือนเลือ้อลักษณะสติจะเป็นแบบนี้เนื้อถ้าสมาธิก็คือความตั้งมั่นจิตใจนั้นไม่บกแวกทําลายอุทจักคือความฟุ้งซ่านได้จิตใจก็เป็นไปกับปลาโมดปีติรกระจัดความหดหู่ท้อถอยได้ด้วยถ้าปัญญาก็คือว่าแสงสว่างมันเกิดขึ้นความเข้าใจอัฏฐะเข้าใจพยัญชนะเข้าถึงอัฏฐะเข้าถึงพยัญชนะอย่างลึกซึง้งและสามารถที่จะเดินเข้าหาคําสอนได้อย่าง ชัดเจนเลยลักษณะนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นกงล้อของธรรมจักรนั้นมันหมุนกข้สู่กระแสชีวิตของสัตว์โลกแล้วกงล้ออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกกงล้อแห่งอํานาจอันนั้นพูดถึงว่าอํานาจของราชามหากษัตริย์อํานาจของผู้ปกครองประเทศทั้งหลายเหล่านี้หรือถ้าในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นกรงล้อของวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายที่มันไหลเข้ามาสู่ประเทศ ต, ต, ต่างๆเหล่านี้เยอะแยะไปเบ็ดเสร็จใช่ไหม กงล้อ rebound. ต่างๆเหล่านี้บางทีมันก็ไหลามาทั้งค่ า, า น, นิยมบ้างทั้งวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายเหล่านี้ที่มันไหลยอย่างประเทศไทยของเราเราจะเห็นชัดเลยเราจะเห็นกงลอ้อของอํานาจมันไหลเข้ามาไหมเด็กๆหรือวัยรุ่นทั้งหลายคนยุคใหม่ทั้งหลายก็เริ่มทิ้งวัฒนธรรมประเพณี น, นั่นคือกองลอ้อของอํานาจมันหมุนเข้ามาแล้วสมัยก่อนก็อํานาจที่ว่ากันด้วยกําลังว่ากันด้วยกําลังในการที่จะยกพลยกกําลังในการจะประหัรประหารขําหันกันก็คื อ, อกองลอ้อของอํานาจ ในการที่จะบังคับขู่เข็นให้ฝ่ายตรงข้ามมายอมรับสถานภาพตัว น, นี้ก็มีอํานาจมากกว่าเป็นต้นถ้าจะยกปัจจุบันนี้ก็มาในฐานะของเศรษฐกิจบางการเมืองบงการปกครองบางอะไรกันเนะี่หรือวัฒนธรรมประเภทนี้ก็คืออํานาจที่เหมือนกันก็คือกรงล้อเหมือนกันนั้นถ้าถามบอกว่าพระธรรมคาสอนของพระาศาสดาเนี่ยหมุนไปเยอะมากเลยเลยหมุนไปในชมพูเทวีปทั้งสิ้นหมุนไปในแดน เยอะแยะไปหมดหมุนไปลังกาทวีปหมุนไปพม่าหมุนไปอินโดนีเซียหมุนไปในลาวใช่ไหมหมุนมาประเทศไทยทั้งหลายเหล่าเนี่ยนั้นแหะกงล้อแห่งพระธรรมก็หมุนก็สู่กระแสใจของสัตว์นั้นแปลว่าภาะศาสดานั้นลั่นกองอมตะลั่นกองก็คือลั่นศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาสมาทิตีสมาสั ง, สงกปะว่าไปเถอใช่ไหม อริยมรรคมีองค์แปดก็ไหลก็สู่กระแสใจของสัตว์สัตว์นั้นก็พัฒนาจากผุ้ดูชนเลยจากคนที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้พัฒนาก็ได้กลับกลายเป็นบุคคลที่มีการพัฒนาไหมพัฒนาเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนาวิติกมามศีลขึ้นมาเลยความไม่ก้าวล่วงบาปปกเสวรธรรมเปรา ม, ามกพัฒนาอุปจารสมาธิอั ป, ปนาสมาธิทุกระดับเกิดขึ้นเลยเห็นไหมสามารถที่กันนิวรธรรมได้ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็พัฒนาปัญญาเริ่มตั้งแต่ น่นเลยปัญญาเริ่มตั้งแต่อายการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเป็นต้นเหล่านี้เป็นเป็นที่สจริงก็แทงตลอดสัจจค ก, ก็พัฒนาตัวเองจากผุุ้ชนก็ถึงความเป็นอริยชนเป็นต้นได้มองเห็นไหมนั่นคือการพัฒนาการฝึกฝนนั่นเองแต่ถ้าถามว่าพระธรรมนั้นจะไหลเข้าสู่กระแสใจเราได้หรือไม่ทีนี้เรามาดูในบวริบทตรงนี้ว่า นี่เรามาเหยียบพื้นแผ่นดินสาวัตถีในสาวัตถีถ้าตัวสาวัตถีเลยเนี่ยประชากรเจ็ดโกรเจ็ดโกรเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านฉะนั้นเจ็ดโกรนี่บริเวณกว้างมากที่เรามาเหยียบกันเนี่ยเป็นบริเวณสาวัตถีหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดินไปอีกหน่อยถึงดดนย ม, มกไปอีกหน่อยก็คือที่เชตะวันมหาวิหารไปอีกมุมหนึ่งก็ไปวัดปุพารามไ้ย นั้นสรุปแล้วก็คือพระบรมศาสดามาจำพรรษาหน้าที่แห่งนี้จำพรรษาที่เชตวันเท่าไหร่ 19, สิบเก้าพรรษาจำพรรษาที่ปุภารามวัดที่นางวิสาขาหมาวบาสกาสร้างอีกหกพรรษาหกกับส9บเก้าเป็นเท่าไหร่ 25, 25, รรรยี่สิบห้าพรรษาในยี่สิบ้าพรรษาพระบรมศาสดาใช้สองสถานะเนี่ยใช้สองแห่งเพื่อให้บุคคลทั้งสองได้รับอนิสงฆ์จากการ เสด็จประทับหรือเสด็จดำเนินประทับถ้าถามว่าในบรรดาประชากรในเนี้ยเจ็ดสิบล้านนี่นะในตัวเมืองหลวงนี่นะในตัวเสาทีนีนะ่ไม่ได้นับทั้งควานโกศลนยานมีพาริยะบุคคลอยู่ห้าสิบล้านที่ไม่ได้เป็นพาริยาห์ยี่สิบล้านฉะนั้นล่องรอยที่เราเหยียบกันหรือเราใช้สอยกันนะสถานที่ตรงนี้ จึงเป็นล่องรอยของภา้าละาบุคคลเต็มไปหมดสองพันห้าร้ยกว่าปีเรากลับมาปุ๊บในยุคเรามาถามว่าเหตุการณ์เหล่านั้นหายหมดเห็นไมเหลือแต่ซากเหลือแต่อิดเหลือแต่ปูนถามว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าใจคำว่าสังขารไม่เที่ยงไหมเข้าใจไหม ว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับบัญชาไม่ได้สภาพสังขารเป็นอย่างนี้พระศาสดาคเคยเตือนแล้วใช่ไหมว่าความเป็นไปต่างๆความพลัดพรากจากของรักของชอบใจความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายใจความเปลี่ยนแปลงว่าพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าแม้ในอดีตก็ดับไปแล้วพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ตัดสู้อริยสัจธรรมทั้งสี่แม้ในปัจจุบันในการต่อไปก็จะแตกดับแล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสังคต ธ, ธรรมจริงๆด้วยตอนนี้เรามาเดินตามรอยบาทพระศ า, ศาสดาเรามาสืบค้นเบื้องหลังแต่สิ่งที่เราได้ก็คือสังเวคญาณานะคือญาณปัญญาที่ไปพิจารณาเห็น ชาติภัยภัยใหญ่คือการเกิดชราภัยภัยใหญ่คือความแก่พยาธิภัยภัยใหญ่คือความเจ็บไข้มรณะภัยภัยใหญ่คือความตายแล้วก็ความโศกความลำเละลาพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นเลยบอกว่าในห้าสิบล้านไม่มีพวกเราบ่งบอกถึงอะไรเนี่ย บ่งบอกว่าการสั่งสงอัตยาศัยในทานเจตนาทานเจตนาศีลเจตนาที่เป็นไปเพื่อจะเกื้อหนุนกระตุ้นวิปัสนาปัญญาทั้งหลายให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตของเราอ่อนเอมาฉะนั้นแล้วชีวิตของเราจักเป็นไปอย่างไรแต่เนี่ยขนาดเรามาเหยียบในพื้นที่สาวถีซึ่งเป็นแดนของพระอริยะบุคคลเต็มไปหมดเลยเรายังมีความรู้สึกเฉยเฉยเลย อาจจะมีหลายท่านนะมาเหยียบแล้วเนี่ยสะดุ้งสะเทือนรู้ไหมว่าแดนยมกที่พระบรมศ า, ศาสดาประกาศกว่าจะมาแสดงธรรมนที่ตรงนี้นะประกาศอยู่สามถึงสี่เดือนนะเดินทางกันแล้วรอนแล้วมาจากราชาคลื่ด้วยประชาชนตามกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเนะนเต็มไปหมดใน บ, บริเวณรัศมีเนี่ยยี่สิบห้าโยชน์ คนมารอนในแอัดฟังทำแล้วเทพเทวดาอีกไม่นับไม่นับนับไม่ได้พระาศาสดาแสดงอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารเดี๋ยวพวกเนี้ยมีโอกาสขึ้นไปแดนยมก ok และพระไปบินธบัติตรงนั้นแล้วเราใส่บาทถ้ามีเวลาเนียจะกล่าวในเรื่องของยะมะกับปฏิหารว่าพระาศาสดาแสดงทำอย่างไรที่มีความว่าแดนยมกเนี่ยพระาศาสดาทุกๆพระองค์ไม่ทรงละ การแสดงเ ย, ยมมากกับปฏิหารเนี่ยท่านแสดงยังไงแสดงฤทธิ์ไปด้วยดักใจเป็นอัศจรรย์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็ให้เหตุผลก็คํำสอนน่ยทะลุทะลวงด้วยการเหตุกับผลชัดเจนด้วยสัตว์ทั้งหลา ย, ยรอฟังท่านบอกว่าบุคคลสังสมอัธยาศัยบางท่านในปรารถนาจะมาอยู่ในการฟังที่พระบรมศาสดาแสดงเ ย, ยมมากกับปฏิหารยเพราะไม่ใช่แสดงเพียงแค่อิทิลิศไม่ใช่แสดงเพียงแค่อเทศนานะ แต่แสดงอนุสาสนีที่จะทําให้คนนั้นเจาะทะลุทะลวงอริยสัตว์คือทุกสมูทัยนิโรธมรรคสามารถไปวิจัยทุกได้แล้วละสมูทัยคือตัวตันหาได้แล้วก็ดับวัตถุทุกได้ด้วยหดึกเข้าสัมผัสพระนิพพา น, านแล้วเห็นช่องทางการที่จะเดินเข้าสู่ไปดําเนินไปสู่การหลุดพ้นนดะ้คืออริยมรรคมีองค์แปที่สนจริงๆสัตว์ได้บรรลุสองอล้านพอเทศนาสูตรนี้จบนี่เนะึ่ย ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าน่าสะเทือนใจจ่ิงในญาติในชั้นของคําสอนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยเติดเติดกันเนี่ยไก่บินตกเนี่ยบ้านหนึ่งไก่บินตกนี่บ้านหนึ่งเติดกันขนาดนั้นนะบ้านเนี่ยแออัดหมดคําว่าสาวัถีเนี่ยเนะก็คืออยู่ในแคลนโกศลเนี่ยที่ชื่อว่าสาวัถีนั้นน่ะในบรนด้านนักอักษรศาสตร์ก็แปลว่าสาวัถีก็คือว่าพระนครอันเป็นสถานที่อยู่ของฤาษีชื่อว่าสวัส ฉะนั้นจึงเรียกว่าสาวัตถีใช่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำว่าสาวัตถีอ่ะมันคือวัตถุเครื่องอุ ป, ปโภคและบริโภคของมนุษย์เนี่ยมีทุกอย่างในเมืองนี้ฉะนั้นเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเครื่องใช้สอยทั้งหลายเนี่ยในเมืองนี้บริบูรณ์มากจึงเรียกเมืองนี้ว่าเป็นเมืองสาวัตถีก็คือเป็นเมืองที่เจริญที่สุดเป็นเมืองที่เจริญที่สุด เหมือนเราเวลาเร า, เรามาที่ตรงนี้ที่บอกว่าเราสวดกันเนี่ยบอกว่าเอวเมสุตังเอกังสมายังใช่ไหมสาวัถนะียังน่ยที่บอกว่าเชตวันเนอนาถปินทิกัสาอาลาเมเป็นตน้นอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยว่าพระนครในสาวัถีนี่เนะมีวัดเชตวันในวัดเชตวันเนี้เป็นวัดที่มีสองเจ้าของเจ้าของแรกชื่อพระเจ้าเชษเจ้าของที่สองชื่อว่าอนาถาปินทิกะ บอกว่าอ น, นาถาปินิกาเสษฐีต้องการที่จะซื้อที่ที่ตรงเนี้ถวายเป็นพุทธบูชาพระเจ้าเชษไม่ขายที่แรกเน่ยเพราะพระเจ้าเชษฐ์เองก็ปรารถนาอยากจะถวายเป็นกันใช่ไหมไปไปมาก็เลยวัดบุญกันเลยถ้าท่านต้องการอยากจะซื้อที่ตรงนี้ถวายพระบรมศาสดามีถวายภิกษุสงฆ์มีพระาศาสดาเป็นป้อมุกนี่นะที่จะให้สง์ในจตุรทิศนะมาอยู่เนี่ยเพื่อมาเจริญสมณธรรมมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ท่านต้องวัดกำลังท่านนะปูรั์ได้แค่ไหนท่านเอาที่ดินไปเท่านั้นบรรทุกเวียนมาเลยฉะนั้นต้องปูยันนะสิบแปดโกรดปูทรับสิบแปดโกรดเต็มพื้นแผ่นดินเลยเหลือตรงซุ้มประตูเนะี่ยพระจ้าเชษบอกว่าตรงนี้ไม่เพราะตนเองจะสร้างเอารับสิบแปดโกรดมาในหะ้เดงมาสร้างซุ้มประตูด้วยแล้วก็สร้างวิหารด้วย บริเวณต้นไม้ทั้งหมดมีความงดงามมากในสาวถีนพระเจ้าเชตบอกไม่ขายเพราะตนเองจะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาถวายเดพระรัตนตรัยเห็นมท่านถึงเอ่ยนามตลอดเลยว่าสาวัถียามวิหรารติอาาถาเชตวเนียนาถาพินทิกาสารามีเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ว่าวัดแห่งนี้มีสองเจ้าของ เจ้าของแรกคือพระเจ้าเชิดเจ้าของคนที่สองคืออนานาปิณิกาเศรษฐีจะได้เป็นเนติเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างของผู้ต้องการบุญทั้งหลายที่เกิดมาในสุดท้ายไปหลังจะได้ถือท่านทั้งสองเป็นแบบอย่างในการเจริญบุญในการที่จะเข้าหาบุญเข้าหากุศลว่าเขาเจริญกุศลกันลักษณะอย่างนี้มองเห็นหลักษณะนี้ก็แปลว่า เขาจเจริญกุศลเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาประวัติของท่านอนาถาปิณิกาเสถีไล่มาตามลําดับตั้งแต่ที่วิธีการท่านจเจริญกุศลท่านจเจริญยังไงท่านมีอัธยาศัยในทานบารมีมาอย่างไรทําไมพระาศาสดาจึงแสดงทา น, นากถาศีลกถาสัคขาคถาการมาทีนวกถาเนคขมานิสังสักถ า, กาสรุปลงอริตสัตสีและในส่วนจริงเนี่ยท่านอนาถาปิณิกาเสถียรท่านมี ท่านมีทานบารมีมาในอดีตยังไงท่านป่าถนาฐานะที่จะเป็นอุบาสกที่มีชื่อเสียงใช่ไหมเป็นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะเป็นอุบาสกที่เข้าเป็นผู้ไปเข้านั่งใกล้พระธนะไตรที่บอกว่าเป็นทานาบดีถามว่าตอนที่เดินท่านไปค้าขายที่กรุงราชคือเนี่ยท่านบรรทุกเวียนไปนี่นะห่างจากกรุงราชคือประมาณยอดถึง16กกิโลเมตรท่านต้องพักเวียนของท่านด้วยหนย พอพักไวเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็นจะส่งข่าวให้เด็กให้ม้าเร็วไปรายงานราชเครืหาเศรษฐีซึ่งเป็นเพื่อนเยอะบอกว่าเออตอนเองจะเข้ามาค้าขายในวังนะเป็นต้นหรื อ, อในเมืองเขาราชครืเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วในวันนั้นเน่ะเออไม่ได้รับข่าวสารตอบในสุวนจริงก็ต้องเข้าไปเองก็ไปเห็นก็เห็นเพื่อนกําลังวุ่นวายอยู่เอาวุ่นวายเรื่องอะไรในการที่จะถวายทานพระบรมศาสดา พอได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละคืนนั้นเน่ยท่านนอนไม่หลับไม่ใช่นอนไม่หลับอย่างเดียวนะศรัทธาท่านโลดแล่นในกระแสะใจแรงมากที่มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเนะมีความผ่องใสในจิตด้วยให้สังเกตนะเราท่านทั้งหลายนะถ้าศรัทธาในะหนึ่งเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมและต่อพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านนี่ลักษณะของศรัทธา ประการที่สองก็คือว่ามีความผ่องใสไม่ขุนมัวสภาพจิตที่โสกโปกถูกทําลายไปเลยวิถีจิตจากสะอาดหมดจดมีความผ่องแผ้วมีความผ่องใสประดุดั้งแก้วมันีที่จุมลงในน้ําอะที่โสกโปกก็ทําน้ําที่สกโปกให้อันตรธานหายไปเหลือแต่น้ําที่ใสสะอาดแม้ฉันใดจิตของท่านผู้ใดมีศรัทธาประกอบอยู่ในดวงจิตนั้นแล้วเนี่ยนะสภาพจิตนั้นจะมีความผ่องใส นี้นะแล้วไม่ใช่แค่นั้นสภาพของศรัท ธ, ธาก็คือมีความเด็ดเดียวแล้วก็ทําสภาพทํามนี้เกิดพร้อมกับตนเองให้มีความเด็ดเดียวต่อพระรัตนตรยัยแล้วเราเคยเกิดไม่แบบนี้อัเด็ดเดียวขนาดไหนอนาถาพอรู้ว่าพระพรุทธเจ้าบัตเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บกุศลจิตุบาทเกิดขึ้นมาทันทีมาจากอะไรรู้ไหมกุศลเนนะี่ยมาจากโยนิโสความเป็นผู้ฉลาดคิดของท่านนะ่ยกระตุก เขาเรียกปกเล่าทันทีเลยจากจิตที่ไม่มีศรัทธามากเพิ่มขึ้นมาปุ๊บๆๆทันทีเลยถามว่าทำไมเพิ่มท่านเพิ่มศรัทธาได้เพิ่มวิริยะได้เพิ่มสติได้เพิ่มสมาธิแล้วก็เพิ่มปัญญาเกิดขึ้นในกระแสะใจได้ทันทีในขณะนั้นอะไรเป็นปัจจัยตัวยโยนิโสมนสิกานเขาเรียกว่าอุ ป, ปาทกรรมมสิการเน่ยตัวที่กระตุ้นคุณธรรมเหล่านี้โลดแล่นในกระแสะใจท่านได้ ถามไอตัวโยนิสมวนิสิกานะมีอะไรเป็นปัจจัยมีสัตทธรรมสวรรนะที่จริงท่านมีสัตทธรมมสวนะในอดีตมานั้นเนี่ยท่านอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมท่านคบสัตบุรุษท่านอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมสรุปแล้วก็คือว่าอาดีตของท่านเนี่ยสร้างอัธยาศัยมาตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วเขาเรียกเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังกระตุ้นปัจจุบันผลของท่านเนี่ย ทำให้ท่านโลดแล่นเลยพอกุศลจิรุบาทเกิดขึ้นที่มีศรัทธาเป็นประธานใช่ไหมก็ทําปราโมดในใจใเกิดขึ้นปลาโมดเป็นปัจจัยแก่ปีติเป็นปัจจัยแก่ปัจสถานีเป็นปัจจัยแก่ความสุขโสมนัสเกิดขึ้นตลอดโสมนัสจนหน้าตาผิวพรรณของท่านจากการที่ขมูขมัวเนี่ยพองตลอดเลยเปล่งออกมาพ่องจนมีแสงออกได้จนมีแสงออกได้ ตั้งแต่หกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มถ้านอนไม่ได้นอนไม่ได้ใจจะขาดเราเคยเป็นไหมแบบเนี้ยมันนอนไม่ได้เลยอ่ะมันกระตุ้นความรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันแน่นไปหมดเลยเนี่ยนะเคยเป็นั้มเพียงเหยียบพื้นแผ่นดินชมพูทวีบมันก็แน่นแล้วเนี่ยเพราะว่าเราได้มาเหยียบมาตัวภูมิ มาเหยียบดินแดนพระบรมศาสดาไม่เหยียบดินแดนของชมพูทวีปทวีปของผู้มีบุญทวีปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจริพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายเหล่านี้พระสารีบุตรพระโมคคารนะอสีติมหาสาวกมหาสาวกอัะปกติสาวกทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายพระโสดาบันสกาธาคาพระนาคาพระหันตาเจ้าทั้งหลายท่านเดินเพ่นพ่านกันไปหมดใช่ไหมสถานที่ท่านใช้สอยบริโภคในการยืนการเดินการนั่งการนอนในบริเวณเหล่านี้ทั้งหมดเลยที เขาไม่ตื่นเต้นยังไงคนบางคนมานอนจะหลับสบาย ม, มีอะไรหรอเพราะไม่คิดใช่ไหมว่าดินแดนต่างๆเหล่าเนี้ยว่าเป็นดินแดนของพระอริยาบุคคลทั้งหลายท่านนั่งเต็มไปหมดเนี่ยห้าสิบล้านนี่จะอยู่ไว้ในบริเวณเหล่าเนี้ยเต็มไปหมดก็ค้าขายทามาหากินกันอย่างอริยชนเนี่ยเป็นสังคมอริยาซึ่งเป็นฆราวาสกันก็เยอะแยะเป็นพระโสดาบันก็เยอะเป็นสัตตะกาธาคามีก็มีเป็นพระนาคาก็มี เว้น้าะาหัตเท่านั้นเองไงใช่ไหมที่จะสามารถไม่สามารถอยู่ในขีพเพศเพศที่ต่ําต้อยได้หรือบางท่านมีเงื่อนไขถ้าเป็นพระนาคาถ้ายังไม่มีเงื่อนไขใดๆท่านก็ออกบวชทันทีแต่ยังเรามาเบ็ดเสร็จก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเฉยๆใช่ไหมมองไปที่ไหนก็เจอแต่อิดแต่ดินแต่บุญตื่นเต้นไหมยังไม่ตื่นเต้นนะนักเตะที่พอดีตื่นเต้นไหม เลยไม่เต้นเต้นเลยเนะี่ยเอาใครบ้างเนละยยอมสุวรรณว้างเลยเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่พระริยาทั้งหลายท่านย่าไว้เต็มหมดใช่ไหมในร่องรอยตัวนี้ไหมแล้วกลิ่นไอมันไม่เป็นอุปนิสัยปัจจัยกระตุกศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาให้แข็งแกร่งขึ้นมาบ้างเลยไงสัมผัสไม่ได้เลยได้ไงไม่ได้อัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นที่ท่านสั่งสมอัตยาศัยบ้างเลยไม่เห็นเลยเลย ที่จริงควรจักมนัสิการนะว่าเราได้มาเหยียบณสถานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนึงตอนที่พระบรมศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานปรินิพานที่ไหนกุสินาราสารวนโนทยามมีการบูชาพระบรมศพของพระศาสดาที่ปรินิพานสถู7วันใช่ไหมเคลื่อนพระบรมศพไปที่มกุฏพันธนเจดียใช่ไหม แล้วต่อมาพระมหากระสเดินทางมาจากปาวาตอนนั้นจุดพระรูปผสมไม่ติดไม่สามารถประชุมเพื่งได้เป็นความประสงค์ของเทวดาซึ่งศรัทธาพระมหากระสที่ท่านได้สุคติเป็นไปในโลกสวรรค์เพราะได้นับถือพระมหากระสนแปดหมื่นตระกูลนี่ไม่เคยตกนรกเลยที่ไปศรัทธาเอาศรัทธาไปวางไว้กับพระเถระ ซึ่งเป็นสาวกของพระศาสดาดูสิเนะี่ยเขาได้ดีบได้ดีท่านก็ที่ฐานจิตเลยบอกไม่ให้รอพระเทหลาของเราอย่างเราเนี่ยจะเดินทางบางทีก็ลำบากอย่นี้ทำไมอา้าทําไมเทพเทวดาทั้งหลายไม่ค่อยเอาอุปการะเราเท่าไหร่อันนี้บ่งบอกถึงอัจฉริยะใสาเราค่อยๆได้สั่งสมไว้ใช่ไหมที่สุดจริงๆพระมหากระศบมาก็ไม่ทัน ก็มาเวียนประทักสินเข้าไปกราบอธิษฐานบอกว่าขอให้พระบาทของพระบรมศาสดานะยืนปรารถนาจับข้อพระบาทของพระศาสดาเนะั้นพ่อธิ่ฐานด้วยกำลังพระเถระพระบาทของพระศาสดาก็แทรกผ้าห้าร้อยคู่ล้างเหล็กโพกมาโอ้โหประชากรตามบอกว่า ถ้าภาริยะที่นี่ห้าสิบล้านคิดว่าเขาจะไปเขาจากไปเฝ้า菩 า, าสดาของเขาไหมก็เราเป็นปุดุชนเรายังอยากมาถ้ารู้ว่า菩 า, าสดาจากบริณิพานก็ต้องไปกันอยู่แล้วใช่ไหมพอพระบาทของ菩 า, าสดาแทรกคู่ผ้าห้ารอยคู่มงประชาชนละงงมเลยประดุดดังคนเท้าขาด เพราะพระบาทคําพระศาสดาประดุจตั้งลายเตาทองเนะมีตราธรรมจักรอยู่ตรงกลางเนะแล้วก็รูปมงคล1 0ร้อยแปดเนี่ยพระมหากระสอบก็ขอเข้ามาจับข้อพระบาทซบศรีรษะท้าพระเจ้ามาไม่ทันขอเข้ามาทั้งสัตธิหาริก5าร้อเพราะท่านทำวัดอุปถัมภ์พระศ า, าสดาไปเสร็จท่านก็ถอยสามเก้าไปก็ลุกทิ้งใช่ไหมเจ็ดวัน เป็นเท่าไร่7 2ดต่อมากลุ่มมัลลากรรษัตริย์ทั้งหลายก็ไปเปิดห่อผ้าร้องไห้กันอีกแล้วทำไมถึงร้องพระบระมาศาสด า, สดามีมหาปุริศราขนาด3าประการอนุพยัญชนะ8ปดบหายไปแล้วสังขารเป็นแบบนี้ ข้อขนาดร่างกายที่คงทนขนาดนั้นสร้างมาจากบา ร, รมีที่แข็งแกร่งขนาดนั้นบำเพ็ญบา ร, รมีมาทั้งยี่สิบสองขายยิ่งด้วยแสนกับประดับประดาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดู ก, ก, ดกมีความงามอย่างหาที่ติไม่ได้ที่จริงๆไฟก็ไม่ก็เหลือแต่พระบรมาธาตุประดุลดังทองคําก็บูชากันอยู่อีกเจดวันเป็นยีสบเอดวันแล้วต่อมาพระมหา ก, กระสมก็ประชุมสงฆ์ สังเทเรศที่ไปที่เป็นพระเทรศนะ่ยเจ็ดแสนลูกไม่นับสัตธิวิหาริค่าร้อยหก้อยเนี่ยนะีต้องคิดดูเฉพาะพระเนี่ยนะีหลังจากนั้นเนี่ยนะพระอนนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันพร้อมด้วยสัตธิวิหาริกหลังจากประชุมเบ็ดเสร็จแล้วว่าเราจะไปทําประถมะสังขยาณาที่กรุงราชคลึใช่ไหมแล้วทุกคนก็เริ่มบอกว่าให้ไปจัดแจงสถานที่ต่างๆเหล่านี้พระอนนท์ก็ แต่ละคนพระสัตธิวิหาริล็กห้า้อยบ้างห600้อบ้างก็เดินทางกันเพื่อจะไปที่กรุงราชคฤห์ผ่านนนก็นเดินทางจาลิกวัเนี้สาวัตถีที่เราจะไปกันในวันพรุ่งนี้พอไปถึงสาวัตถีไปถึงที่มูลพระคันตะดีในระหว่างที่เดินทางมาประชาชนไหลมาเตาม็มหมดเจอผ่านนนก็ถามข้าแต่ผ่านผ่านนนทูกข่าวไปแล้ว พระนนเอาพระบรมศาสดาของข้าพเจ้าไปไว้ไหนแต่ก่อนข้าพเจ้าเห็นผ้านรนเห็นภาษาสดาเห็นภาษ า, าสดาเห็นท่านเนี่ยตอนนี้ท่านเอาภาษาสดาของข้าพเจ้าไปไว้ที่ไหนก็ลงงผ้านรนร้องฮนะแล้มาพิจารณาทําไมท่านเหล่านั้นมีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในศาสดาของตนเองถึงเพียงนั้นเพราะเขารู้ว่าพระษาสดาเป็น ที่ว่าเป็นดวงตาของโลกทั้งสามเป็นดวงตาของชาติเขตหมื่นจักรวาลเป็นดวงตาของอาาเขตแสนโกรจักรวาลเป็นดวงตาของวิสัยเขตหาประมาณไม่ได้เป็นพุทธเขตทุงท่านดวงอาทิตย์ดวงนี้ดับวูบลงมาอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มืดบอดก็เจาะพระธรรมไม่เห็นฟังพระธรรมไม่เข้าใจแล้ว เขถึงมีความอาลัยอวน์ภาษาสดาของเขาเราท่านทั้งหลายทรมานในดินแดนอย่างนี้แล้วก็มันมนาสิการให้ดีนะว่าเราจักมาบูชาภาศาสดาด้วยอมิสบูชาเป็นประจัยเกตธรรมะบูชานะซึ่งเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเอาแล้วมาสรุปประเด็นแค่ตรงนี้จักไม่อยากเจาะเข้าไปในรายละเอียดเมื่อพระอานว์มาที่สาวัตถีพรมาจะเป็นเล่ารายละเอียดอีกทีว่า ท่านพานนลเนี่ยท่านคิดยังไงให้สังเกตดูนะว่าพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายตรงเนี้ยเวลาท่านมาลาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเอาอริยทรัพย์ของพระศาสดามาถวายพระพุทธเจ้าดูที่ท่านมาแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยก่อนจะประลิพน์เนี่ยแปลว่าท่านมาบูชาพระศาสดาด้วยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอริยทัพย์เยอะใช่ไหม เราท่านทั้งหลายว่าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาก็แจกอริยทรัพย์แจกศีลสมาธิปัญญาแจกอริยธรรมแล้วเราได้ไหมเราได้ธรรมะบราโดาของพระศาสดาไหมทีินั่งกันอยู่นี่มีใครได้ระดับไหนแล้วมีได้ไหมเพิ่งจะเริ่มใช่ไหมเพิ่งจะเริ่มดีนะลมหายใจไม่ขาดก่อนเนาะถ้าลมหายใจขาดก่อนเสียหายไม่ยอมสุวรรณ หมดสิทธิ์เลยตอนนี้ลมหายใจยังมีอยู่ที่ผ่านมาเราสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆไงปล่อยศรัทธาเลี่ยราดวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นคนบอดคนมืดใช่ไเป็นคนหนวกอะแทนที่จะฟังพระธรรมก็ไม่ฟังเป็นคนบอดใช่บอดคือปัญญาบอดไม่มีจักษุ ข, ของภาริยาเขาเรียกว่าบอดไม่เห็นความจริงแท้ของกระแสของชีวิต นี่บอดธนินเยนะแต่ตอนนี้เราจะมาล้างตาจะทำตาปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่จะเข้าไปเฝ้าภาษาสดาให้ได้จริงๆแล้วก็รับมรดกของภาษาสดาเอามาประชุมในกระแสของชีวิตใช่ั้ยต่อไปให้สอบถามกันถามได้นะใช้ไม้ถาม